ให้สังเกตว่าตามหลักของปรัชญาโยคะดังที่อธิบายมานี้คำว่าพระอิศวนานมีความหมายคล้ายกับนิพพานในทางพุทธศาสนาซึ่งเขาอธิบายให้เห็นเป็นบุคคลและที่สาคัญก็คือเขาอธิบายให้เห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่านิพพานานั้นเขาเรียกว่าพระอิศวนหรือปรมาตมัน ซึ่งประเด็นนี้ขอให้สังเกตให้ดีว่าลักษณะบางอย่างของพระยิศว น, นั้นก็เหมือนกับลักษณะของนิพพานในพุทธศาสนาแต่ก็มีลักษณะบางอย่างของพระยิศวนแตกต่างจากความหมายในทางพุทธศาสนาอย่างมากมายกล่าวคือเรายอมรับว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง และเป็นอีกสิ่งหนึ่งนอกจากนามรูปหรือเบญจขันธ์จริงและเป็นอสังขตะไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นสิ่งยั่งยืนเป็นนิรันต์ก็จริงแต่ไม่ได้ถือว่านิพพานนั้นเป็นตัวตนเป็นปรมาตตมันเป็นที่มาหรือเป็นที่เกิดของสิ่งต่างๆเป็นแกนในของสรรพสิ่งทั้งปวงเหมือนกับที่คำภีเขาอธิบายไว้ แต่อย่างไรก็ดีก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคําว่าศีวะในทางพุทธศาสนาก็ใช้เป็นไวยพจน์ของคําว่านิพพานเหมือนกันเช่นตัวอย่างดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงซึ่งอสังขตะธรรมอันเป็นสัจธรรมเป็นฝั่งโน้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักแก่ เป็นธรรมยั่งยืนเป็นธรรมไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเนื่นช้าเป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นศีวะเป็นธรรมเกษมเป็นธรรมอัศจร์เป็นธรรมไม่มีจันไรเป็นธรรมไม่มีทุกข์เป็นธรรมบริสุทธิ์เป็นเกาะเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเร้นอันหนึ่งคําว่าสีวันจะซึ่งแปลทับศัพท์ว่าศีวะหรือสีวะนี้ ในชกถาท่านอธิบายไว้ว่านิพานที่ได้ชื่อว่าศีวา น, านหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีสิริมงคลความจริงคําว่าศีวะโสเสือซึ่งเป็นคําบาลีและศีวะโสสลาซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตนี้โดยทั่วๆไปแล้วหมายถึงพระศิวะแต่ก็หมายถึงสุพนิมิตมงคล สีสวัสด์ก็ได้แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องนี้ท่านพุทธทาสภิกขุได้เคยเขียนอธิบายเรื่องนี้ไว้ในหัวข้อเรื่องมักุเทศของวิญญาณซึ่งได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาซึ่งออกที่ชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่สิบพฤษภาคม2485ดังนี้ จนจะถึงสมัยพุทธกาลมีมติของอุปนิษัทธ์เกิดขึ้นคนพบอาตามันหรือธรรมชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีปรากฏการเขา้าใจยากพระตรงกันข้ามกับโลกไม่มีอะไรสร้างหรือปรุงแต่งอาตามันนี้ได้แต่คงมีอยู่ทุกเมื่อและสิงอยู่ในที่ทั่วไปเป็นเสมือนหนึ่งดวงวิญญาณของสากลโลก และสอนว่าถ้าใครทำจิตให้หมดจดจากอวิชชาแล้วจะมองเห็นอาตมา น, นี้ด้วยปัญญาจากสุขและในขณะนั้นใจของผู้นั้นก็เป็นสุขถึงที่สุดด้วยแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นและตระสรูทรงพบหลักสื่อไปว่าธรรมชาติที่เขาเรียกว่าอาตมา น, น, นั้นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริง แต่หาใช่สิ่งที่ควรเรียกว่าอัตตาหรืออาตมันไม่เพราะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวผู้กระทํำหรือตัวกัตตุการกที่จะทํานั่นทํำนี่ได้หรือตัวกรรมาการกที่จะถูกใครทําอะไรให้ได้มันเป็นธรรมหรือธรรมชาติล้วนๆเช่นเดียวกันอย่าไปสําคัญเอาว่ามันเป็นตัวตนเลย การเพ่งจ้องหรือมุ่งหาอาตามัเช่นนั้นเป็นการมุ่งด้ความยึดถือหรืออุปาทานอันหนึ่งเกินไปให้เพ่งจ้องหาแต่เพียงว่าใจของตนปล่อยวางสิ่งทั้งปวงแล้วหรื อ, อยังถ้าหมดแล้วก็จะไม่อยากอย่างใดหมดจะเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นก็ตาม ทุกคนจงคอยกำหนดใจของตัวเองว่าใจของตนถึงสถานะอันว่านี้แล้วหรื อ, อยังถ้ายังไม่ถึงก็ดำเนินตามหลักแห่งอัดถังที่กมักให้มากขึ้นจนกว่าจะถึงเท่านั้นโยคาวาจรในพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านจึงมีจุดที่น่วงเหนียวคือนิพพานอันเป็นที่ดับความยึดถือว่าตัว ต, วตนที่ดับของกิเลส หรือความทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นครัดทุกข์ดับหมดก็รู้ได้เองทั้งรู้จักสภาพอันเป็นที่ดับของความทุกข์นั้นด้วยแต่ก็ไม่ได้ยึดถือหรือสําคัญเอาว่าสภาพอันนั้นเป็นตัวตนหรืออาตมันแต่อย่างใดสภาพอันนั้นเป็นธรรมชาติล้วนๆที่ใครก็ไม่ควรยึดถือ เช่นเดียวกับสิ่งอันที่ได้ปล่อยวางมาแล้วโดยลําดับสิ่งนี้มีอยู่เองแล้วเมื่อเราพบเข้าเราก็มายึดถือมันเท่านั้นถ้าไปยึดถือเข้าหม่อีกก็ยังไม่ได้หลุดพ้นเด็ดขาดจะต้องปล่อยวางอีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อนี้มีพุทธภาสิทธว่าวางภาระหนักเสียแล้วไม่จับฉวยเอาสิ่งอื่นขึ้นมาถือเป็นภาระอีกต่อไป ถอนตันหาเสได้พร้อมทั้งรากเงาก็เป็นผู้ดับเย็นสนิทและสําหรับการปฏิสนธิทุกๆสิ่งว่าม่ใช่อัตตาหรือควรถือว่ามันเป็นอัตตา น, านั้นมีพุทธภาสิทธว่าทำหรือสิ่งทั้งปวงมิใช่อัตตาและว่าทำทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดถือเอาและคําว่ารรม ย่อมหมายถึงทุกๆสิ่งทั้งที่เป็นประเภทที่มีสิ่งอื่นปรุงแต่งขึ้นและประเภทที่มีอยู่ได้เองโดยไม่ต้องมีอะไรปรุงแต่งขึ้นเช่นพระนิพพานหรือสภาพอันเป็นที่ดับสิ้นของความทุกนี้ด้วยกล่าวโดยเฉพาะมติแห่งอุปนิสัตต์มีอัตมันและบรรยายลักษณะไว้เป็นอสังขตะคล้ายกับนิพพานของพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็เพราะปรัชญาสายนี้ได้ตายมาตามหลักของตัวเราคือเมื่อคนพบเป็นครั้งแรกว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเสียแล้วก็อัศจรรย์และกระตือเรือโลนว่าถ้าดังนั้นตัวเราอยู่ที่ไหนเล่าก็การที่หาว่าร่างกายและจิตใจไม่ใช่ตัวเรานั้นก็เพราะมันเป็นเพียงของที่ถูกปรุงแต่งขึ้น จากส่วนย่อยๆต่างๆและเป็นมายาเกิดมาจากสิ่งอื่นการดิ้นหาต่อไปจึงมีประเด็นหนักไปในทางที่ว่าอะไรเล่าคือตัวเราหรืออาตมันต่อมาค้นไปพบธรรมประเภทที่เป็นอสังขตะซึ่งอาจทราบได้แม้โดยอนุมานว่ามันมีลักษณะตรงกันข้ามกับร่างกายและใจ ซึ่งเป็นมายาทุกทุอยา่างและสิ่งที่ว่านี้มีอยู่ในที่ทั่วไปเพราะว่าอาจค้นพบได้ในที่ทุกแห่งจึงปลงความเชื่อลงอย่างเด็ดขาดว่านี้แล้วคืออาตมันหรือตัวเราตัวเราอย่างใดท่านก็อย่างนั้นพรมอย่างใดเราก็อย่างนั้นซึ่งหมายความว่า เรามีตัวเราตัวเดียวกันหรืออย่างเดียวกันกับพรหมพรหมนั้นหมายถึงอาตามันในที่ทุกแห่งนั่นเองมติอันนี้คล้ายกับพุทธศาสนาที่สุดต่างกันก็แต่ว่าเขามีตัวอาตามันเป็นผู้ถูกสิ่งต่างๆเช่นถูกโลกคียรธรรมหุ้มห่อเอาและในที่สุดหลุดออกมาได้ จิตเป็นผู้รู้จักอาตามันที่หลุดออกมาแล้วส่วนพุทธศาสนาไม่มีตัวอาตามันเช่นนั้นมีแต่จิตที่ถูกกิเลสพุ่มห่อและหลุดพน้นและจิตรู้จักตัวมันเองว่าพ้นแล้วคือไม่มีตัวเราเหมือนอาตามันไหนอีกเป็นผู้หลุดพน้นและหลุดพ้นหมายถึงมันพบกับนิพพาน แล้วจิตเองจะได้ดับความรู้สึกว่ามีตัวเองสนิทไปไม่มีทุกขเกิดขึ้นได้อีกนี่ใช่มีอาตมันเป็นตัวคงอยู่ตลอดอนอันตการเหมือนมติของอุปนิสัตต์จากมักคุเทศของวิญญาณหน้า 72-75 บถึงบทความเรื่องนี้ท่านพุทธทาสพิขุได้เขียนลงในหนังสือพิมพ์พุทธศาสนา ซึ่งออกที่ชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่10พฤษภาคม2485และต่อมาทางคณะธรรมทานได้รวบรวมเรื่องสั้นๆของท่านพุทธทาสมาพิมพ์เป็นเล่มเมื่อพุทธศักราช2496บทความนี้ได้คัดมาจากหนังสือชุมนุมเรื่องสั้นของท่านพุทธทาสพิคุ ในบทความนี้แม่จะเขียนมาแล้วตั้งสิบกว่าปีแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเป็นอันถือได้ว่ามติของท่านพุทธทาสในเรื่องนี้ถือเป็นมาตรฐานได้แต่อย่างไรก็ตามบทความนี้ควรจะอ่านให้ละเอียดที่สุดถ้าอ่านไม่ละเอียดอาจจะเห็นว่า อาตามันในปรัชญาของพราหมกับนิพพานในพุทธศาสนาเป็นอย่างเดียวกันเพราะโดยที่แท้นั้นไม่เหมือนกันเลยเพียงแต่การที่บายวางแงคล้ายคลึงกันที่สุดเท่านั้นจากบทความนี้แม้ท่านพุทธทาสจะแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าอาตามันอย่างที่พราหมณ์เข้าใจนั้นมีจริง แต่นั่นก็ไม่ใช่นิพพานในพุทธศาสนาขอให้สังเกตข้อความตอนท้ายให้ละเอียดเพราะอาตมันหรือพรหมหรือบางทีก็เรียกว่าพระยีสวนนั้นเขาบรรยายว่าในตัวเรามีอาตมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งอาตมันใหญ่และในที่สุดเมื่ออาตมันเล็กถึงความบริสุทธิ์แล้ว ก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกับอาตามันใหญ่คือพระพรหมหรือพระยสวร น, นันข้อ น, นี้เราจะเห็นได้ชัดจากคำอธิบายตอนหนึ่งของท่านพุทธทาสว่าอาตามันเมื่อหลุดเป็นอิสระออกมาจากโลเกียธรรมแล้วจะเป็นของใครคนใดก็ตามย่อมเป็นอันเดียวกันหรือเหมือนกันหมดไม่มีเจ้าไม่มีไพร ไม่มีดีมีชั่วในอาตามันเปรียบเหมือนอากาศที่มีอยู่ในภาชนะต่างๆถูกภาชนะกั้นไว้เป็นส่วนหนึ่งจากอากาศส่วนใหญ่ในท้องฟ้าและพื้นโลกคลันต่อยภาชนะนั้ น, น, นเสียอากาศนั้นซึ่งไม่มีเครื่องห่อพุ่มกีบกันแล้วก็คืออากาศอันเดียวกับอากาศส่วนใหญ่ จากมารคุเทศของวิญญาณหน้า63 ต่างๆที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าพระศิวะหรือพระยิศวรตามหลักของศาสนาพราหมณ์นั้นเขาถือว่าเป็นสัพพันญูเช่นนั้นเมื่อใครเข้าถึงพระศิวะหรือพระยิศวรหรือเข้ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระยิศวรหรือบางทีก็เรียกว่าพรหมนั้นเขาผู้นั้นก็จะต้องเป็นสัพพันญูไปด้วย แต่ตามหลักของพุทธศาสนาไม่มีการกล่าวถึงว่านิพพานเป็นสัพพันธ์อยู่หรือกล่าวอ้างว่ามีลักษณะเป็นตัวตนแต่ก็ยอมรับว่าผู้ที่สามารถเข้าถึงนิพพานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่คือเข้าถึงสัญญาเวทยิตานิโรดนั้นก็คือผู้ที่เข้าถึงความดับสนิท และผู้ที่เข้าถึงความดับสนิทได้เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าจิตมีความอิสระอย่างสมบูรณ์มีการหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ซึ่งเรียกว่านิสรณวิมุตติและในเมื่อมีอิสระหรือมีวิมุตติอย่างสมบูรณ์เช่นนี้ก็สามารถที่จะมีอภิญญาได้ครบหมดทุกอย่างและเมื่อมีอภิญญาทั้งหครบถ้วนบริบูรณ์ โดยอาศัยหลักของภอิญญาทั้งหกนี้ก็สามารถที่จะทำให้รู้อะไรได้ทุกอย่างแม้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเรียนมาก่อนก็สามารถที่จะรู้ได้แต่ถึงกระ น, นั้นก็ยังมีข้อที่แตกต่างกันอีกกล่าวคือพระราหันที่ได้ภพิญญาทั้งหและสามารถเข้านิโรธสมาบัตได้แต่ ถ้าบารมีที่สร้างมาในอดีตไม่เท่ากันหรือมีน้อยกว่าความสามารถนนที่จะรู้อะไรต่างๆก็จะไม่เท่ากับผู้ที่สร้างบารมีมามากกว่าตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอราหันต์สามารถเข้านิโรธาสมาบัติได้แต่ถึงกระนั้นความสามารถนนที่จะรู้อะไรต่างๆนั้น ก็ไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าหลักสำคัญของความเป็นสัพพันย์อนยะู่นั้นอยู่ตรงที่ว่า 1. เป็นพระอราหันต์ละกิเลสในสันดานได้หมดสิ้นไม่มีเหลือ 2. ส, สามารถเข้านิโรธาสมาบัติได้ซึ่งตรงกับหลักปัจญโยค่าที่ว่าโยค้าคือนิโรธาพุทติของจิต และเมื่อพฤติของจิตดับสนิทแล้วก็จะเข้าถึงพระยุสวนซึ่งมีลักษณะเป็นสับพันญยูแต่อย่างไรก็ดีในประเด็นอันหลังนี้ต้องสังเกตไว้ให้ดีว่าไม่ตรงกับหลักของพระพุทธศาสนาทีเดียวเพราะทางพุทธศาสนาปฏิเสธความมีอยู่ของพระยุสวนในลักษณะ น, นี้ นิพพานมีอยู่จริงแต่ไม่ได้มีอยู่ในลักษณะที่เป็นตัวตนเหมือนอย่างนั้นและที่รู้อะไรได้ต่างๆนั้นเป็นเพราะจิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่นิพพานเป็นผู้รู้คือถ้าเข้าถึงความดับสนิทแล้วในขณะที่อยู่ในความดับสนิทนั้นจะไม่รู้อะไรเลยจะรู้ก็ต่อเมื่อออกมาจากความดับสนิทนั้น ฉะนั้นผู้ที่รู้อะไรต่างๆนั้นคือจิตไม่ใช่นิพพานเป็นผู้รู้เหมือนอย่างหลักของปรัชญาอยู่ค่ะและนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ในมูลปริยายสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปันนาตหน้าหถึงเจว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นพระเสขะ ยังไม่ได้บรรลุอรหันต์ปรารถนาธรรมที่เกษรรมจากโยคะอันยอดเยี่ยมภิกษุนั้นคลันรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วอย่าสําคัญว่านิพพานเป็นของเราอย่ายินดีซึ่งนิพพานนั้นคืออย่ายินดีที่จะถือเอานิพพานนั้นเป็นตัวเราเพราะเหตุไรเพราะเรากล่าวว่านิพพานนั้น เป็นสิ่งที่จะพึงกำหนดรู้ไว้เท่านั้นรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นพระรหันขีนาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้กระทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วมีประโยชน์ตนถึงที่แล้วมีกิเลสเป็นเครื่องผูกมัดให้อยู่ในพพหมดสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้น ท่านรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วย่อมไม่สำคัญว่านิพพานเป็นของเราย่อมไม่ยินดีซึ่งนิพพานนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรากล่าวว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งที่เธอกำหนดรู้แล้วพุทธพจน์นี้หมายความว่าเมื่อก่อนเคยยินดีและยึดถือเป็นจ้าขันว่าเป็นตัวเราหรือของเราต่อมา ในเมื่อละความยินดีความยึดถือในเบญจขันได้แล้วเพราะได้เข้าถึงนิพพานก็อย่าได้ยินดีและยึดถือนิพพานว่าเป็นตัวเราหรือของของเราอีกเพราะถ้าทําเช่นนั้นก็แปลว่าจะยังไม่หลุดพ้นจริงๆเพราะอุปาทานที่เหลืออยู่นั้นจะทําให้เกิดตัณหาไลวิชาอีก จากเรื่องนิพพานในพุทธศาสนากับเรื่องพระยุศวนในศาสนาพราหมณ์ดังที่ได้ที่บายมาแล้วนี้เราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าความหมายของนิพพานกับความหมายของพระยุสร์จะไม่เหมือนกันทีเดียวก็ตามแต่ก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ควรจะจดจำไว้เป็นพิเศษกล่าวคือผู้ที่บรรลุถึงนิพพาน ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามหลักในพุทธศาสนานั้นก็คือผู้ที่เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งในไม่เข้าถึงสมาบัติอันนี้แล้วจิตก็จะดับสนิทพร้อมทั้งเจตสิกสามอย่างคือเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันและตามหลักเท่าที่เคยมีนั้นพระรหาหัน สามารถอยู่ในภาวะดับสนิทนี้ได้ไม่เกินเจ็ดวันเมื่อถึงเวลาที่อธิษฐานไว้ว่าจะออกจากสมาบัติเมื่อไรเมื่อถึงเวลานั้นก็จะออกจากสมาบัตนั้นได้ทันทีคือจะเริ่มมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นและถ้ายังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้แล้วทําอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะทําให้รู้สึกตัวขึ้นมาได้เช่น ขนาดเอาไฟเผาแม้แต่จีวรที่ห่มอยู่ก็ไม่ไหม้และท่านที่เข้านิโรดนั้นก็ไม่เป็นอันตรายและไม่รู้สึกตัวด้วยส่วนผู้ที่เข้าถึงโยคะขั้นสูงสุดตามหลักของปรัชญายโยคะนั้นก็จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆเกิดขึ้นเพราะพฤติกรรมของจิตดับสนิทตามหลักข้อแรกที่กล่าวว่า โยคะคือนิโรธาพฤติของจิตฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูเพียงแค่นี้ก็จะเห็นว่าการเข้านิโรธสมาบัติกับการเข้าถึงโยคะขั้นสูงสุดตามหลักของพรามนั้นเหมือนกันและอีกอย่างที่คล้ายคลึงกันมากก็คือผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติได้นั้นก็จะเป็นสัพพัญญูทุกอง แต่ความเป็นสัพพัญญูนั้นเกิดจากมีอภิญญาหกและจิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่นิพพานเป็นผู้รู้เมื่อเข้าถึงนิพพานแล้วจิตเจตสิกย่อมดับสนิทนานเป็นพระ น, นิพานคือความสงบอันประณีตนั้นในเมื่อเข้าถึงแล้วก็จะทําให้บรรดาสังขารธรรมทั้งหลายดับสนิทเช่นเดียวกับไฟ เมื่อถูกน้ำแล้วก็ย่อมจะดับไปฉะนั้นส่วนตามหลักของพรามนั้นเมื่อได้ปฏิบัติไปตามขั้นตอนต่างๆ ต, ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือปรัทยโยคะในที่สุดก็จะเข้าถึงความดับสนิทเหมือนกันและแล้วก็จะเกิดความเป็นสัพพันธ์อยู่เพราะการเข้าถึงความดับสนิท ต, ตามหลักของพรามนี้ เขาอธิบายว่าที่มีความเป็นสัพพัญญูเกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะอาตมันซึ่งเป็นแก่นแท้ของคนเราทุกคนได้เข้ารวมกับพระยีสวนซึ่งมีพืชแห่งสัพพัญญูอยู่เป็นนิด ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันธ์ูได้นานเป็นเพราะทรงมีอภิญญาหกสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ยิ่งกว่าพระราหันใดๆดังคําในบทคุตตคุณว่าวิชาจรณะสัมปันโนพระผู้มีพระภาคสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณนะอันหนึ่งจากทฤษฎีต่างๆตามที่กล่าวไว้ในหนังสือปรัชญาโยคะ ซึ่งเป็นลัทธิของศาสนาพราหมณ์สาขาหนึ่งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าความเป็นสัพพัญญูเป็นสิ่งสากลคือใครๆก็เป็นได้ในเมื่อปฏิบัติไปตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นไปโดยลำดับจนถึงที่สุดและเป็นสิ่งที่คนในสมัยนั้นใฝ่ฝันเพื่อจะให้ได้ซึ่งภาวะอันนี้กันยิ่งนักแต่ใครจะได้จริงหรือไม่นาน ก็สุดแล้วแต่วาสนาบา ร, รมีของแต่ละบุคคลแต่ถึงใครจะได้หรือไม่ได้ก็ต่างแต่ความเป็นสัพพันยูนันมีแน่และก็มีอยู่เสมอมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและยังจะมีต่อไปอีกชัว่วนิรันด์พระพุทธเจ้าในอดีต ท, ทุกพระองค์ก็ล้วนแต่ได้ทรงบรรลุสัพพันยุตยานมาแล้วทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าของเรา ซึ่งถือว่าเป็นองค์ปัจจุบันก็คือผู้ที่ได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณเป็นองค์แรกในยุคปัจจุบันเมื่อสมัย 2,500 กว่าปีล่วงมาแล้วและต่อไปก็ยังจะมีพระพุทธเจ้าที่จะได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณอีกซึ่งไม่ทราบว่าจะเป็นเมื่อไรเท่านั้นแต่ที่แน่ก็คือต้องมีอีกแน่นอนสาหรับในทางพุทธศาสนานั้น พระวีองค์ศาสดาที่ได้ทรงบรรลุภาวะอันนี้มีหลักฐานปรากฏชัดเจนแน่นอนทั้งในทางประวัติศาสตร์และในทางโบราณคดีความตรัสรู้ของพระองค์นั้นยังเป็นที่ปรากฏเห็นได้แม้ในปัจจุบันนี้แต่องค์ศาสดาของศาสนาพราหมณ์ที่นับว่าเป็นองค์สัพพันธ์ูที่ปรากฏให้เห็นชัดจริง มีหลักฐานยืนยันทั้งในทางประวัติศาสตร์และในทางโบราณคดีนั้นไม่เห็นมีแต่ถึงกระ น, นั้นตั้งแต่ไหนจะไรามาแล้วขเขาจะอธิบายให้เห็นว่าพระเจ้าซึ่งเป็นองค์สับพันยูนั้นมีลักษณะเป็นตัวตนเช่นกล่าวถึงพระนารายหรือพระศิวะหรือพระกฤษณะซึ่งเป็นองค์พระเจ้าที่เป็นอยู่ตลอดกาล และเป็นสัพพัญยูด้วยนั้นว่าในบางครั้งบางสมัยจะอาวาตารลงมาเกิดเป็นคนเช่นในอดีตหลายพันปีมาแล้วพระกฤษณะได้อาวาตารลงมาเกิดเป็นพระรามอย่างนี้เป็นต้นและในปัจจุบันก็มีคนเชื่อกันเป็นอันมากว่าท่านพระวันศรีสัตยาสายบาบาแห่งปุตตะปรารตี คือพระศิวะหรือจะเรียกว่าพระนารายณ์พระกฤษณะก็คือองค์องค์เดียวกันได้วาตารลรมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เรื่องต่างๆในธรรมนองนี้ทางพุทธศาสนาของเราไม่ยอมรับคือไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงตามที่เขากล่าวไว้นั้นถ้าจะให้ฝ่ายพุทธศาสนายอมรับก็จะรับได้แต่เพียงว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ หรือเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งได้สร้างบา ร, รมีทั้งสิบมามากจนกระทั่งได้เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเคยแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆได้มาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนๆฉะนั้นเมื่อมาเกิดในชาตินี้โดยอาศัยบา ร, รมีเก่าที่สะสมมานานแม้ไม่ต้องฝึกแต่ก็สามารถทำได้เอง เรื่องทานองนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ดังเช่นพระพุทธเจ้าของเราพอประสูตรมาก็ทรงเดินได้พูดได้และเมื่อพระชนมายุเจ็ดพรรษาก็ทรงสามารถเข้าฌานได้เองมีปฏิหารทำให้ร่มไม้ตั้งอยู่กับที่ไม่คล้อยไปตามแสงอาทิตย์เหมือนกับร่มไม้อื่นๆอย่างนี้เป็นต้น อันหนึ่งควรจะสังเกตไว่อีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัพพันยูนันบางทีก็เรียกว่าพระสีสันเพชซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือเป็นผู้รู้ทุกอย่างต่างกันแต่เพียงว่าสัพพันยูเป็นคำบาลีสันเพชเป็นคำสันสกฤตซึ่งแผลงมาจากคำว่าสรวัชชะ แปลว่าผู้รู้ทุกอย่างส่วนคําว่าสีนั้นเรานํามาเติมกันในภายหลังสีก็คือสิริหรือสิรีในภาษาบาลีและสีสอคอในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าสิริมงคลนิ่งขวัญความสงา่าความสุขใยความสว่างความเปล่งปลัง่งความงามความดีความน่ารัก ความเจริญความสมเร็จความเป็นใหญ่อานาจราชศักอันหนึ่งเราจะสังเกตได้ว่าในหนังสือวรรณคดีของไทยสมัยโบราณชอบใช้คำว่าพระสีสันเพรกันมากและที่ใช้เป็นชื่อพระโทธรูปว่าพระสีสันเพชก็มีซึ่งแสดงให้เห็นว่าตามความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณนั้น เขาเชื่อกันจริงๆว่าพ้าพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันญูคือรู้ทุกอย่างจริงๆอะไรที่คนอื่นรู้ถ้าพระองค์ทรงปรารถนาที่จะรู้บ้างก็ทรงรู้ได้ทุกอย่างแต่ก็อย่าลืมว่าโดยธรรมดาของคนเราไม่ว่าจะเป็นนักปราชญงใหญ่แค่ไหนรอบรู้อะไรมากเสเพียงไรก็ตามถ้าไม่มีปัญหาให้ต้องคบคิด หรือไม่มีอะไรมาเตือนหรือไม่มีใครมาถามก็จะเป็นเสมือนหนึ่งว่าเรื่อง น, นั้นเรื่องนี้เขาไม่รู้แต่พอมีใครมาถามหรือมีปัญหาอะไรให้ต้องนึกถึงแล้วก็จะปรากฏว่าเรื่อง น, นั้นเรื่องนี้เขาก็รู้เหมือนกันฉะนั้นอย่าเข้าใจว่าที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรทุกอย่างนั้น คือพระองค์ทรงรู้เรื่องต่างๆทั้งหมดทุกขณะจิตไม่ใช่เป็นเช่นนี้ขอให้นึกถึงเรื่องที่เคยกล่าวมาแล้วว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่กูตาคาราสาลาในป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีก็ครั้งนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เสด็จเข้าไปยังอารามของปริภาชกผู้หนึ่งชื่อว่าวัดชาซึ่งเวลาที่พระองค์เสด็จไปนั้นเป็นเวลาเช้าก่อนที่จะเสด็จไปบิณฑบาตและการที่พระองค์เสด็จเข้าไปที่อารามนี้ก่อนก็เพราะทรงเห็นว่าเวลาอย่างเช้านักครั้นเสด็จเข้าไปถึงวัดชาปริภาชกซึ่งได้เห็นมาแต่ไกลแล้วก็ได้เชิญให้พระองค์ เสด็จเข้าไปประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดไว้แล้วส่วนตนเองนั่งบนอาสนะที่ตามกว่าแล้วได้กลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมเป็นสัพพันยูรู้ทุกอย่างมีปกติเห็นธรรมทั้งปวง ทรงปฏิญญาญาณทัศนะไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีหลับก็ดีตื่นก็ดีญาณทัศ น, นย่อมปรากฏแกเราเสมอติดต่อกันไปไม่ขาดสายคือเป็นสัพพัญยูทุกขณะทุกยุริยาบทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนที่กล่าวว่าพระสมณะโคโดมเป็นสัพพัญยู ทุกขณะทุกอิริยาบถดังที่กล่าวมานี้เป็นการกล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้จริงหรือคนเหล่านี้ไม่ได้กล่าวตู่พระองค์ด้วยถ้อยคําที่ไม่เป็นจริงหรือหรือว่าเขาเหล่านั้นได้กล่าวถูกต้องแล้วดูก่อนวัชชะชนที่กล่าวว่าพระสมณโคโดมเป็นสัพพันญูทุกขณะทุกอิริยาบถ ดังที่ท่านได้ยินมานั้นเขาไม่ได้กล่าวตามคำที่เราได้กล่าวไว้เขากล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ท่าเช่นนั้นเขาพะเจ้าเจงพึงกล่าวเช่นไรจึงจะเป็นอันกล่าวตามถ้อยคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ไม่เป็นการกล่าวตู่พระองค์ด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริง ดูก่อนวัชชะมื่อบุคคลพยากรณว่าพระสมณะโคโดมเป็นเตวิชาผู้ได้วิชาสามดังนี้แลจึงจะเป็นอันกล่าวตามคําที่เราได้กล่าวแล้วชื่อว่าไม่กล่าวตูเราด้วยถ้อยคําที่ไม่เป็นจริงดูก่อนวัชชะก็เราเพียงแต่ต้องการเท่านั้นย่อมจา ร, รึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือเราลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและอื่นๆดูก่อนวัดฉะก็เราเพียงแต่ต้องการเท่านั้นเราย่อมจะเห็นมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติและอื่นๆเพราะฉะนั้นจากหลักฐานที่อ้างมานี้จะเห็นว่าคำว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันญูนันหมายความว่า เมื่อพระองค์มีพระประสงค์จะทรงรู้อะไรแล้วเป็นอันรู้ได้ทุกอย่างและรู้ได้อย่างว่องไวรวดเร็วไม่ติดขัดแต่ถ้าเรื่องไหนขณะไหนไม่ได้ทรงนึกถึงก็แปลว่าในขณะนั้นก็ไม่ทรงรู้เรื่องนั้นเหมือนกันต้องเข้าใจความหมายอันนี้ให้ชัดและอีกประการหนึ่งเรื่องที่พระองค์มีพระประสงค์จะรู้นาน ไม่มีขีดจำกัดคือรู้ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่เคยทรงรู้ทรงเห็นมาก่อนไม่เคยทรงเล่าเรียนมาก่อนก็ทรงสามารถที่จะรู้ได้ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยยกหลักฐานหรือที่มาให้ทราบแล้วอันหนึ่งควรจะจําไว้ให้ดีว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันธอยู่น้น ก็เพราะพระ อ, องค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะที่มีอภิญญาหกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์และแต่ละอย่างก็อยู่ในขั้นสูงสุดยิ่งกว่าพาระอรหันตสาวกใดๆทั้งหมดดังคาในบทพุทธคุณที่ว่าอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปันโนอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งคำว่าวิชาในที่นี้ไม่ได้หมายเพียงแค่วิชาสามคือบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตยานและอาสวัคค ย, ยานเท่านั้นแต่หากหมายถึงอภิญญาหกและทรงมีทศพลยานด้วยและยังทรงมีสมันตะจักสูอีกด้วยแต่ความเป็นจริงแล้วพระองค์ทรงมีจักสูห้า ขหนึ่งมังสะจักษุตาเนื้อคือมีพระเนตรทั้งสองเหมือนกับคนทั่วไปแต่ก็พิเศษกว่ามาก 2. ทิพยจักษุตาทิพส์ 3. ปัญญาจักษุตาปัญญาคือปัญญาที่รู้แจ้งอริยสัจหรือรู้แจ้งธรรมทั้งพวงนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งเสมือนเห็นสิ่งของต่างๆด้วยตาฉะ น, นั้น สพุทธจักสุตาพระพุทธเจ้าเช่นทรงตรวจดูสัตว์โลกแล้วทรงรู้ว่าใครอยู่ในขข่พระยานหรือไม่การเห็นสัตว์โลกในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าพุทธจักสู 5. หสมันตจักสูตาโดยรอบซึ่งข้อนี้หมายถึงสัพพัญยุตยานนั่นเองอันหนึ่ง ควรจะสังเกตไว้ด้วยว่าในบรรดาศาสนาต่างๆที่ถือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทคำสอนให้กับท่านที่เป็นศาสดาในศาสนานั้นๆซึ่งต่อมาก็ได้เป็นหลักคำสอนหรือเป็นพระคำภีอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเหล่านี้นั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆนั้น จะไม่มีตัวตนปรากฏท้าเห็นได้ไม่ว่าในกรณีใดๆและเชื่อกันด้วยว่าพระผู้เป็นเจ้า น, านั้นเป็นสัพพันย์ยูและเป็นผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์มากมายจึงสามารถสร้างโลกสร้างสากลจักรวาลสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกขึ้นมาได้ในวางยุคบางสมัยพระผู้เป็นเจ้าก็จะประสิทธิประสาทคำสอน ให้กับผู้ที่จะเป็นศาสดาของศาสนานั้นๆเช่นอย่างในศาสนาอิสลามพระมหามัทธิ์ซึ่งได้บันทึกคําสอนตามที่มีอยู่ในคัมภีร์คุรอานนั้นก็ได้บันทึกตามคําสั่งของพระอลเลาะโมเสสซึ่งได้บันทึกบัญญัติสิบประการก็ได้บันทึกตามคําสั่งของพระยะโฮวาพระเยซู ก็คือผู้ที่พระเจ้าส่งลงมาซึ่งเรียกว่าบุตรของพระเจ้าและได้สอนศาสนาโดยรับการดนใจหรือความรู้มาจากพระยะโฮวาพระคริสตะในสมัยสงครามมหาภารตะยุทธ์ซึ่งเป็นสารถีให้กับอรชุนพระรามในเรื่องรามเกียรติและในปัจจุบัน องค์พระวันศีสัตยาสายบาบาแห่งปุตตะปรารตีท่านเหล่านี้คือพระเจ้าที่อวาตารลงมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งบรรดาศาสดาต่างๆของศาสนาเหล่านี้นั้นจะมีคุณสมบัติเป็นสัพพันธยูจริงหรือไม่นั้นก็ขอให้ศึกษาพิจารณาใครควรดูให้ละเอียดทีท่วนแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่า เราควรจะเชื่อแค่ไหนอย่างไรรายการเสียงธรรมเรื่องสัพพัญยูจากผลงานเขียนของอาจารย์พ ร, รรัตนสุวรรณยุติเพียงเท่านี้